ไปเรียกกันว่าเท้ายมบาบานั่นเองครับอาตมาอยากจะถามท่านสักหน่อยว่าทําไมท่านถึงได้นั่งดูเฉยเฉยเล่าพวกผู้คุมลงโทษสัตว์นรกนั้นก็ลงโทษอย่างโหดเหี้ยมเหลือประมาณท่านนั่งดูเฉยเฉยไม่เห็นสะทกสะท้านห้ามปรามอะไรเลยฮ่าฮ่าฮาไมพระคุณเจ้าถึงได้ถามอย่างนั้นหรอกเล่า จริงๆแล้วข้าพเจ้านี้เป็นผู้ที่มีความเมตตาเป<ม>็นที่สุดแกสัตรกุตรกเหล่านี้อยู่แล้วอาตมาไม่เชื่อก็เห็นท่านนั่งอยู่เฉยๆเราจะบอกได้อย่างไรล่ะว่าท่านมีเมตตากรุณาได้อย่างไรขอพระคุณเจ้าอย่าได้เข้าใจผิดอย่างนั้นเลยขอรับทุกอย่างมันเกิดจากกรรมที่เขาได้ทำไว้เองทั้งนั้น กรรมนั่นแหละจะจำแนกสัตว์ให้เขาเหล่านั้นต้องทนทุกข์ทรมานอยู่อย่างนี้ตัวเขาเองนั่นแหละได้ทําร้ายตนเองไม่มีใครจะมาห้ามปรามหรือห้ามกรรมของเขาได้แม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเขาได้หรอกข้าพเจ้าไม่ใช่เป็นบุคคลที่แรงน้ําใจอย่างที่ท่านคิดหรอกครับเอ แต่ถึงกระนั้นอาตมาก็ยังว่าท่านนั้นยังไม่มีความเมตตาปานีหรอกเพราะว่าเมื่อท่านช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้วทําไมยังมาบอกอาตมาว่าเป็นผู้มีเมตตาปาณีหรอกเล่าอ๋อพระคุณเจ้าเออข้าพเจ้ายังมีเรื่องที่จะต้องเล่าถวายให้กับพระคุณเจ้าอีกคือมีเรื่องดังนี้จริงๆแล้ว เมื่อคนเราทำความดีมามากๆผลบุญนั้นมาส่งผลในปฏิสนธิกา ร, การเขาก็ย่อมไปเกิดในสวรรค์และหากบุคคลใดทำกรรมชั่วไว้มากในปฏิสนธิการนั้นเขาก็ย่อมไปตกนรกแต่ถ้าหากว่าบุคคลทำกรรมดีก็มีทำกรรมชั่วก็มีปะบนกันไป ผลบุญไม่สามารถส่งให้เขาขึ้นสวรรค์ได้ผลบาปไม่สามารถนำให้เขาตกนรกได้ตอนนี้แหละที่ข้าพเจ้าจะอนุเคราะห์แก่เขาได้ต้องหากเล่า ท่านว่าท่านอนุเคราะห์แก่สัตว์นรกท่านอนุเคราะห์อย่างไรเล่ า, าข้าแต่ท่านประมารายัยข้าพเจ้าจะเล่าถวายให้ฟังต่อไปจริงๆแล้วบุคคลที่มาถึงณแดนนี้ข้าพเจ้าก็จะทาการไต่สวนเพื่อสอบถามไร้เรียงว่าพวกเขานั้น ได้เคยทำความดีอะไรในเมืองมนุษย์บ้างเล่าและบางครั้งก็ต้องถามถึงเทวทูตหา้าว่ามีความรู้มีความเข้าใจในเทวทูตห้าบ้างหรือไม่ถ้าเขานึกไม่ได้จริงๆเออก็นับว่าเป็นกรรมของเขาจริงๆที่เขาจะต้องไปตอกตรอกชดใช้กรรมที่เขาได้กระทามาท่านถามเขาอย่างไรล่ะ บอกอาตมาได้ไหมเป็นคำถามที่ยากหรือเปล่าอ๋อไม่ยากหรอกพระคุณเจ้าเออกี่ยวกับเรื่องความดีทั่วๆไปว่าเมื่อครั้งเมื่อเจ้านั้งได้เป็นมนุษย์ได้เคยทําคุณงามความดีให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบ้างหรือไม่ก็ไม่เห็นว่าจะเป็นคําถามที่ยากตรงไหนเออแต่ว่าโดยความมืดบอดแห่งอวิชชา โดยคานที่เป็นผู้มีความขาดสติสตก็ทำให้เขานั้นไม่สามารถจะระลึกถึงคุณงามความดีได้เลยเออแต่ว่าข้าวเจ้าก็ยังมีความเมตตาปรานีต่อจึงได้ถามเทวทูตหาต่อไปเทวทูตข้อที่หนึ่งข้าวเจ้าถามแก่สัตว์นรกนั้นว่า เมื่อครั้นตอนที่เจ้ายังเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นเด็กตัวเล็กๆนอนเปื้อนวูดเปื่อนขู ด, ด, ด, ด, ดบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามตอไปว่าเมื่อเห็นแล้วมีความรู้สึกเป็นอย่างไรแทนที่สัตว์นรกนั้นจะตอบว่าเห็นเด็กแรกเกิดแล้วมีความคิดว่าการเกิดนั้นเป็นทุกข์ การที่จะต้องมานอนเปื่อนมูดเปื่อนคูดต้องมาร้องไห้กระจององแงเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายตอนที่ยังเด็กตัวเล็กๆแล้วก็พูดอะไรไม่ได้นั้นเป็นความทุกข์เออแล้วเจริญกุศลต่างๆไม่ประมาทในวัยตอนเด็กเพราะว่าตอนเด็กๆนั้นเราอาจจะกระทําการฆ่าสัตว์มีการตกปลายิงนก หรือไม่ก็พรรมาสตว์ต่างๆนานาก็การเกิดเหล่านี้มันเป็นทุกอย่างนี้เออก็ควรจะเจริญกุศลต่างๆไว้แทนที่สัตว์โลกจะตอบด้วยคำตอบในลักษณะทานองเดียวกันนี้เขากลับตอบว่าเด็กแรกเกิ ด, ก, ดก็เด็กแรกเกิดไม่เห็นจะต้องไปคิดอะไรให้นักกระบานเลยไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้าวเจ้าเลย นี่แหละเป็นคำตอบที่น่าสลดใจเป็นอย่างยิ่งพระคุณเจ้าก่อนในลำดับต่อไปข้าพระเจ้าก็ได้ถามสัตว์นรกด้วยเทวทูตข้อที่สองนั้นว่าเมื่อครั้นที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนแก่เดินง ก, งกนเงินบ้างหรือไม่เล่า คนแก่ที่มีซี่โครงคดหลังงอถือไม่เท้าบางทีก็ความจำเลอะเลือนผมงอหนังเหี่ยวย่นด้วยระการต่างๆนี้บ้างหรือไม่เล่าก็สัตว์ตลกก็ตอบว่าเคยเห็นขั้นถามว่าเห็นแล้วมีความคิดรู้สึกเป็นอย่างไรเขาแทนที่จะตอบว่าเห็นคนแก่แล้วทำให้รู้สึกว่า ความแก่นั้นเป็นทุกข์ควรที่จะเจริญกุศลต่างๆไม่ว่าทางกายวาจาและทางใจควรจะที่จะเร่งทาคุณงามความดีก่อนที่ตนเองนั้นจะหมดเรี่ยวหมดแรงเพราะความแก่การเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีวัยที่จะสามารถทำกุศลได้นั้นก็ควรจะรีบทาคำตอบเหล่านี้นก็นับว่าเป็นคำตอบที่ทำให้ข้าพเจ้าชื่นใจไม่น้อย แต่ถ้าเขาตอบคําถามว่าเห็นคนแก่คนแก่ก็คือคนแก่น่ารําคาญเพราะคนแก่นั้นที่บ่นจุกจิกจูจ้จี้เออนับว่าเขาเป็นผู้มีความขาดสติเป็นอย่างยิ่งเป็นคําตอบที่ทําให้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกสงสารเขาเป็นอย่างยิ่ง ในลำดับต่อไปข้าพเจ้าก็ได้ถามเทวทูตขอดีสามต่อไปว่าเมื่อครั้นที่เจ้าได้เคยเป็นมนุษย์อยู่นั้นได้เคยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนในโรงพยาบาลหรือบางทีก็นอนในที่สาธารณะเช่นริมถนนหนทางบ้างหรือไม่เล่าเขาก็ตอบว่าเคยเห็นข้าพเจ้าถามว่าเมื่อเห็นแล้ว มีความรู้สึกนึกคิดเป็นประการใดสัตต์ลกบางพวกก็ตอบให้เป็นที่น่าชื่นใจว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยนั้นก็เป็นเพราะเรื่องของกรรมแล้วก็ควรจะประกอบทำคุณงามความดีจะได้ไม่เกิดมาพิการเจ็บป่วยไม่สบายควรจะเร่งทำความดีทางกายวาจาและทางใจซะข้าพระเจ้าจะรู้สึกชื่นใจไปอย่างยิ่ง ออาคำตอบนี้เออแต่ว่าเป็นที่น่าเสียใจอย่างยิ่งถ้าสัตว์นลกบางพวกกลับตอบว่าเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของข้ามันจะเจ็บมันจะตายก็เรื่องของมันข้าพระเจ้าไม่รู้ไม่เห็นเรื่องของมันเออหรือว่าอะไรทำนองนี้ฟังแล้วน่าสลดใจหรือไม่หล่ะท่านพระคุณเจ้า ความเมตตากรุณาความปรานีหรือการที่จะระดึกให้เป็นกุศล น, นั้นไม่มีบ้างเลยแสดงว่าคนประเภทนี้มีโทษจริงๆ